มันโหแล้วเพราะฝนชีบโตก๊กมันคอยฟักไข่ของมันมอันนี้คนโบราณเขาสอบสังเกตมันเลบาดหาฝนชิต๊กบาดเลยอ่าขั้นฝนชีโต๊กนี่พวกมดฝ น, นไปมดหล่นตัวใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มดต่างๆเนี่ยมันจะขนไข่ขึ้นไปทั้งสูงมันไปขาบไข่ขึ้นทั้งสูงก็ว่าขาบไข่ขึ้นทั้งจอมปวกมั้งใช่ไหมคือหันหันหันหัวขึ้นทั้งสูงมั น, นไปหันหนาทั้งสูง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 หางแล่นบอกนแต่หลวงพ่อหลวงพ่อก็มจะฟังมันเดียไปผู้เฒ่าว่าอย่างนั่นเลยหลวงพ่อก็เป็นลูกเป็นหลานมันเไปลูกหลานบ้านนอกวันเีไปหลวงพ่อก็ฟังคือกันันเดียไปคือคือความผู้เฒ่าคือกันนะะอือคือกันกับหมอดูหมอเดายงว่านั่นนะนะอ้ขั้นไปหาหมอดูหมอดูกี่ตัวชไหมคือคือเดียวันเไปเอ้ยมออย่งก็คือคือวันเดไป บอกให้ม er ันคืบวนลงไปบอกคือก็บอกให้มันคืบวนลงไปเจ้ามาเนี่เจ้าถือมากัดเจ้าสิบอกหน้าบอกเคยมากัดเนาะสิโอยบอกกัดก็เห่าแล้วสิมันก็บอกคอยเห่านาค่อยไปใส่ก็ได้บอกเห่าก็เลี้ยวเบิ้งแล้วเป็นยังว่าเอาจ้ามันถือคนวนไปเออมาบอกเลี้ยวเบิ้งก็พอดไปแล้วแม่บอกข้นเห่าขนาดมาบอกเลี้ยวเบิ้งวนไปนี่แหละหมอดูหมอเดาเป็นทิ้งสันนละ ว่าให้มันถกอวันออกไปว่าจนมันถือกับใจคนผูกไปเบึงวันออกไปเพราะนั่นจะไปหายเสื้อเด้อเสื้อกมเสื้อกมเสื้อการกระท่ำของเฮ้าเนี่ยทำดีได้ดีทำซัวได้ซัวนะฮ่ทำซัวได้ซัวทำดีได้ดีวันออไปบางคนก็จะเถียงขึ้นมาโอ้ยบุแม่ดอกเศร้าเบาใจแล้วเป็นยังเอ้าผู้แทนนี่ยนะอ้าวฮู้จ้ากี่แล้วทำซัวไปหาจางข้นมาหาแล้วก็ยังได้ดีอยนี้เลยเป็นผู้แทนน่ย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 ขันทีไปบวชจังสันกะเอาจังใดล่ะเอาเอิญลูกมากเหนะ็นหลูกสองคนในะลูกชายพราเอิญมาเลยก็เลยลูกพ่อกับแม่ทีไปบวชเด็กให้สุเจ้าบังขอก้องสมบัติเดือลูกเด้อทั้งลูกชายกัครับกันพ่อแม่ไปบวชพงศ์กะจีดูแลไห้เสียหายนางนกพอ่อทั้งผู้พ่อก็เลยมาเข็ดคือมามาใดวะเอ๊ะท่องข้าที่มันผุดขึ้นมาจากหลังบ้านไง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 คณะว่าสะหมอกห้ผู้พีนี่ท่องข้ามเลต้องหายเนี่ยผู้เขาท่องนลยต้องอันตรธานหายแน่แน่เพราะนั้นให้น่องรักษาเนะ้อละไรจะเบิงเบิงให้เบิงพีเนะ้อให้ดูแลพีเนะ้อคงจะเป็นบุญของเจ้านะ่ะเอาพอกับแม่หมอกสมบัติอันนี้ให้แก่เจ้านะ่ะลูกเนะ้อให้ดูแล ก, กันเนะ้อบาตนี้พ่อจะไปบวชแล้วเนะน้อบัตรผู้พ่อก็เลยไปบวชกับแม่นะ่ะพอก็ไปบวชกับพระโพธิเจ้าอผู้แม่เนียไปบวชกับนางโคตรมี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 กัจโปองงหนึ่งโคตมโมนคือพระพุทธเจ้าของข้าวโคตมโมนอริยะเมตตโยนคือพระศีอ่านเข้าไปพระศีอ่านคือภาษีอริยะเมตไตรยมัตต์พ่ายภาคหนาในยมทันมาแต่พวกข้าวพระโคตมโมตะวกรงพระโคตมโมที่กรมัตต์มาตมาต์มัตต์สรุปพระกรงพระโคตโมนคือพระกัจโสะเข้าไปพระพุทธเจ้ากัจโปะกัจปาเข้ไปกัจโปสิทิสัมปนันโนะ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 คงจะบวชนักหนาเหมือนพลวะพระอราหันต์พลวัก็เลยเข้าไปเข้าไปเข้าไป ย, ย่อมเามือนนี่อัตมา อ, อยากได้พระธาตุมันยังขาดอยู่พระอบใส่พระปลุมสาลี่ลิขิาธิของพระพุทธเจ้าของเฮายังขาดอยู่ขันวายเป็นไปได้กะย่อมเฉพาะเหตุดได้เพราะขันเหตุดได้กะกะดีนะเป็นบุญเป็นกุศล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 จิตอธิษฐานนำการสองพ่อลูกคนไปจากนั้นก็เลยเอาไปถวายพระอรหันต์พระอรหันต์เพื่อรับหายศีลหายพร้อมคนไปเพื่อจะบรรจุพระปรล่มสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสะคนไปเสร็จแล้วก็เลยกลับมาศพ่อกลับมาศทีนี่แหะกระดมลงคงชีพทำมากฆ่าขายพ่อตายขึ้นมากไปสู่สวรรค์คนไปพ่อตกจากสวรรค์มาเนี่มาเกิดมาเนี่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 บ้านคนขายของอันออกไปจากนั้นก็เลยขายของเข้ามาพ่อใหญ่ขึ้นมาไปปลูกป่านพวกเขาท่องก็เลยเกิดขึ้นมาจังจันล ะ, น, ะนี่แหละพลว่ากัมกัมคือการกระทําบอดีเอาไว้มั่นห้ผลจังจันละ่ะอทํากรรมดีจ่อมได้ดีสัวย่อมได้สัว่วอขนาดดากระดูกพระพุทธเจ้ากัสจ ป, ปะเท่านั้นเนี่ยยังได้ลองล่อยในแม่น้ำ ม, มาแจาว่าสักเถื่อนลงไป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 สิ่งที่ใดบอดียาเหตยาธ ร, รมเพราะว่าตายแล้วบวชศูนเ่ยตายแล้วเกิดอีกพราะพุทธเจ้าของเฮานี่เีพิ่นไปพิสูจน์เพิ่งแล้วเนีเพิ่นยังเบาเรื่องมู้นี้ขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเพิ่นลึกถึงอดีตชาติผู้นี้เป็นมาจังใดเนี่ยเพิ่นจะเบิงหุจักมัดอดีตชาติของผู้นี้แต่และดวงวิญญาณนี่กรรมดีกรรมชั่วลุ่มหลุ ม, ลมลอนๆอนสูงสูงต่ำต่ำพู้พนั้นเพิ่นยังบวให่ประมาดกันมนุษย์มานานีา่ยบวชิ่มปหมาดกัน